การโมทนาสถุการเดชทานสัจสนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรได้พูดถึงเรื่องมาราวโวบาสสูตรมันโดยดําดักครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ห้าสืบต่อมาจากที่เราสั่งวัาดูก่อนเราคุณเธอจงเจริญเมตตาภาวนาเถิดเมื่อ เจริญเมตตาภาวนาอยู <im> anya, ่ย่อมละพยาบาทได้จงเจริญกรุณาภาวนาเถิดเมื่อเจริญกรุณาย่อมละวิงสาได้จงเจริญเมตตาภาวนาเถิดเมื่อมุทิตาภาวนาเถิดเมื่อเจริญมุทิตาภาวนาอยู่ย่อมละฤิทยาได้จงเจริญเบกขาภาวนาเถิดเมื่อเจริญเบกขาภาวนาอยู่ย่อมละปฏิฆะด้วยความ กระทบกระทั่งหรือวาไม่พอใจได้ก็ลเลยมาจนถึงให้เจริญอสุภะภาวนาเมื่อเจริญอสุภะภาวนาอยู่จะละราคะได้อมืก่อนก็พูดมาถึงจุดนี้ในข้อต่อไปก็ยังแสดงอารมณ์กรรมฐานอีกสามข้อหรือว่าจงอีกสองข้อนะฮะ ทงเจริญอนิจจาภาวนาเถิดเมื่อเจริญอนิจจาภาวนาอยู่ย่อมละอัศมิมานะได้โดยจากนั้นก็แสดงเรื่องอนาปานสติเป็นนี้เราสังเกตว่าอนาปานสตทิที่ทรงแสดงก็เหมือนกันทุกแห่งเหมือนทัางถ้อยคำนะครถ้อยคําเองก็เหมือนกันเรียกไม่แตกต่างกันทั้งโดยอัฏฐะและกัเวียนชนะ ใช้คำเท่ากันก็ความก็เหมือนกันเป็นการแสดงไปโดยลำดับโดยทรงเล้นเห็นว่าอานาปานสติคือการตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนั้นเมื่อบุคคลเจริญอยู่จะเป็นธรรมมีผลมากมีอานิสงส์มากทรงแสดงในหลักการปฏิบัติว่า ลึกสุในโลกนี้คือผู้เห็นภายในของสารวัตรในโลกนี้เข้าสู่ที่ส ง, งัดเงียบเช่นป่าปนไม้รองฟังเงียมเขาผูกเกาเป็นต้นเนี่ยนั่งคู้บัลลังก์ตั้งกายทรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าแล้วกำหนดระลึกรู้ดูที่ลมหายใจเข้าออกเรียงมาเป็นลำดับเป็น16ลําลำดับเลย เคยรู้ว่าลมหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าขณะนี้ลมหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าขณะนี้อหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้าสั้นเพราะหลักการปฏิบัติจริงๆก็อยู่ตรงเนี้แล้วต่อจากนั้นเมื่อการจะเกิดอะไรขึ้นมาร้อยทรงสำเนีครู้ในจุดให้สำเนีครู้ในแต่ละจุดต่งนั้นคือหมายความว่าจิตใจเราเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ให้กําหนดรู้อย่างนั้น กำหรู้กองลมทั main, end, ้งปวงหายใจออกกำหนดรู้กองลมน้งปวงหายใจเข้ากำหนดรู้กายจะสังขารคือลมหายใจเข้าออกเนี่ยการสงบระงับของกายสังขารหายใจเข้าการสงบระงับของกายสังขารหายใจออกนั่นก็ตอนเนี่ยโตมาก็ทรงสอนให้กําหนดรู้ปีติคือความเอื้อปิ่มของใจ หายใจเข้าหายใจออกกำ ร, รู้สุกคือความสบายกายสบายใจที่ปรากฏแก่จิตในขณะนั้นๆแก่จิตแก่กายในขณะนั้นๆเราหายใจเข้าหาใจออกกําหนดรู้ความสงบ uh ระงับของจิตสังขารกาหนดรู้จิตสังขารและกําหนดรู้งับการสงบ uh ระงับแห่งจิตสังขารจิตสังขารก็คือ สัญญากเกวตนาคือกายสังขาร น, นั้นคือวิตกวิจารนะฮะไม่ใช่กายสังขาร น, นั้นก็คือลมหายใจข้าออกวจีสังขารก็คือวิตกวิจารณ์คือเราคิดก่อนพูดเรากิจก่อนทำแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้พูดถึงวจีสังขารเราพูดถึงการไปปฏิบัติะดับสมถกรรมฐานโดยกําหนดรู้ จิตสังขารคือวิตุสัญญาเวทนาสัญญาคือความจําเวทนานการสวยอารมณ์แลว้วก็หายใจเข้ากับหนดรู้กายสงบระงับแห่งจิตสังขารอาจจะออกแล้วก็กำหนดรู้สิ่งซึ่งอาจจะเกิดขึ้นนะฮะเช่นสมมุติว่าการพยายามดูที่จิต แล้วก็ทำจิตให้ตั้งมั่นทนี้ถ้าจิตเกิดมีปัญหาก็ทำจิตให้สงบแล้วประคองจิตถ้าจิตมันฟุ้งก็เรื่องจิตออกจากอารมณ์ก็เป็นจิตเตะถ้จิตก็สงบเราก็ประคองไว้จนถึงจับทาจิตตั้งมั่น แต่เมื่อมองเห็นกิเลสปรากฏแก่จิตก็สลัดกิเลสคือเครื่องกิเลสตอนนั้นออกจากจิตแล้วก็ดูที่ความไม่เที่ยงหรือความจางไปของกิเลสเรียกว่าวิราคาดูการส ง, งบของกิเลสที่เรียกว่านิโรธาดูการที่จิตไม่ย้อนกลับมาสวมอำนาจของกิเลสอกีกเรียกว่าปฏินิสกาก็ดูมาเรื่อยๆนะ ก็ครบสิบหกใ่ท่านนึงต่วประการแรกก็คือเรื่องของอนิจจาภาวนาการภาวนาให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงมองสิ่งมองสัตว์มองคนมองอะไรก็ตามนะให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเวลาสอนในที่อื่นที่ทรงใช้คำว่าสเบสังคา ร, ราติจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง ตอนสิ่งที่เรานำมามองที่จริงก็มองอะไรก็ได้แต่ว่ามองในแง่เห็นเป็นความไม่เที่ยงพิจารณาอสมิมานะอสมิ ม, ม า, ะมมมาะนะแปลว่าความถือตัวด้วยความรู้สึกตัวว่าเป็นเราก็เป็นของเรานะาในใจเป็นเราก็เป็นตัวตนของเราเรียกเอยียงหนึ่งว่าหังการมาบางการบังการก็คือของเรา อังคารมัคือเราเป็นข้อความเหล่านี้ที่จริงเราพบแล้วตอนต้นของพระสูตรที่เจ้าทรงสอนแก่พระราหุลคือมองขันห้าที่เป็นอดีต็ดีอนาคตคดีปัจจุบันก็ดียาก็ดีละเอียด็ดีเลกคดีประเด็ดีอยู่ไกลคดีอยู่ใกลก็ ด, กดีว่าสักได้ว่าขันห้าไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เป็นเราอย่างแท้จริงนะฮะไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนของเราอย่างแท้จริงพระก็ทรงแสดงไปไปกระหมวดในตอนหลังอีกแต่ตรงนี้ทองใช้คาว่านจาภาวนาคือสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับเราไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือวัตถุธรรมก็ตามก็มองในแง่ของความเป็นความไม่เชื่ยง เพราะอะเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นมาแล้วก็จะมีความเสื่อมมีความแปรปรว่ยนความเปลี่ยนแปลงไปในขณะที่ดำรงอยู่ก็เป็นการดำรงอยู่เพียงชั่วขณะ ก, ก็ดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆแล้วก็เึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยต่างๆไม่มีอะไรคงที่สักอย่างเดียว เพาะมันสืบมันสืบเนื่องมาจากความเห็นอย่างนี้มันส ik, ืบเนื่องมาจากความเป็นตัวเป็นตนนะครับซึ่งเราจะพบว่าเวลาแสดงโดยสรุปคือสาวลึกลงไปหน่อยสาวลึกลงไปภายในจิตใจของคนหน่อยครือการที่เรารู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้ก็ต้องมันสืบเนื่องมาจากความรู้สึกว่าเราเป็นเป็นตัวเป็นตนของเราแต่แม้แต่ความรู้สึกว่าอันนของเราของเราของเราเราก็ เกิดมาจากความรู้สึกว่าเรามีตัวมีตนมีตัวมีตนให้เป็นแล้วก็ไปจากความมีตัวมีตนเนี่ยทำให้จาเป็นจะต้องมีของของตนเพื่เสริมความมีตัวของตนให้ใหญ่ขึ้นจากนั้นกิเลสนามานาตติก็เกิดตามมาผูตัญหาทั้งหลายที่ จะแนกเอเป็นสามอย่างมันก็สืบเนื่องมาจากตรงนี้หรือการเข้าเข้าใจว่าตัวตนเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนไม่แปรผันคนพวกนี้นจะพยายามปลดปลื้ตนด้วยวิธีการต่างๆด้วยการมาติหาพราะว่ามติหาไอ้การมาติหาที่จริงก็คือของเรานะครับด้วความรู้สึกว่าของเราถ้ามีแล้วมันก็ยึดติดในความเป็นของเราแต่ยังไม่มีก็ไอยคว้า ม, มาเพื่อเป็นของ ทีนี้ถ้ามันเสื่อมสลายไปก็โศกเศร้าเสียใจเพราะว่าของเรามันเสื่อมสลายไปเราลงมาจากของเรามันก็มั่วไปทั้ง3การเหมือนกันที่เป็นอดีตก็จะเกิดเศร้าโศกเสียใจในกรณีที่มันเปลี่ยนแปลงไปปัจจุบันก็มีการกำหนัดเพลิดเพลินชื่นชมหวงแขนมีการป้องกันมีการราาักษาสิ่งที่เป็นของเราแล้วก็อนาคตก็คือป่อยคว้า ปรารถนาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโ น, น้นเพื่อเป็นเจ้าข้าวเจ้าของมันกลายเป็นการมรารถนาเป็นการแสดงว่าเรามีความรู้สึกว่าจิตจิตของเราเนี่ยเป็นของเที่ยงคือเราจะาสามารถอยู่ใช้สอยบริโภคสิ่งเหล่านั้นอยู่ได้ตลอดไปแต่เรียกว่าสัตตติสติคือความเป็นน้ามันเทียนที่ความเป็นต่าง ว่าจะเป็นอะไรก็ตามในสมมติปัญญิการคือเป็นใหญ่เป็นโตยังไงเชงนว่าเป็นเป็นใหญ่มากก็คือพวกประธานาธิบดีพวกนายกรัฐมนตรีในแง่ของความจริงและเป็นสมมติสัจจะใยการสมมติกันในเงื่อนไขของสินธรรมจัรญาที่จะควบคุมบังคับบัญชาปกครองให้สังคมล่านั้นอยู่เย็นเป็นสุขโดจากส่วนย่อยไปถึงส่วนใหญ่ ในแง่จริงๆแล้วมันเริ่มต้นจากไม่ได้เป็นอะไรแล้วค่อยเป็นแล้วจะกลับไปสู่ความไม่เป็นอันในความเป็นเองมันก็เปลี่ยนแปลงก็แสดงถึงความไม่ของไม่เที่ยงแท้แน่นอนจะเป็นอย่างไเป็นตัวยังไงก็ตามสุนท้าก็ไม่ได้เป็นมันแบบแสดงว่าจริงๆมันก็ไม่มีตัวมีตนให้เป็นประการตัวตวนก็คือการเกาะกลุ่มกันของสิ่งทั้งหลาย กคุมไว้แล้วก็การสมมติปัญญาเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นรถเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของแต่พอแยกไปแล้วมันก็หาตัวตนเหล่านั้นไม่ได้อย่างที่พระวจิราเทรีภิกษุณีได้กล่าวไว้เมื่อการรวบรวมกันของพรสมระทั้งหลายยังมีอยู่การสมมติว่ารถว่าเรือนว่า บ, บ้านว่าอาคารสถานที่ต่างๆมันก็มีอยู่ แต่วแยกถาพาสมาราเหล่านั้นออกจากกันในความเป็นบ้านเป็นเดินเป็นรถเป็นอาคารฐานที่มันก็หมดไปวิวคนสัตว์ทั้งหลายมันก็เหมือนกันเป็นการก่อคุมขันท่าทางจตนารตราจริงเหล่านี้ยังมีอยู่การจำกัดบัญญัติมันก็มีอยู่พอถึงจุดแตกสลายมันก็แตกสลายหยาความเป็นเราหรือความเป็นของเราไปได้แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องกง็้ๆง่ายๆมันก็ยาก เพราะว่าจิตใจของคนนั้นถูกข้อคุ้มด้วยกิเลสแล้วน่านี้พระอาจารย์ จ, จึงทรงสอนในมองอีกมุมหนึ่งว่าไม่เที่ยงนะเพื่อจะถ่ายทอนตรงนี้เองคือถ่ายทอนความยึดติดด้วยอำนาจการข่อยความปรารถนาสิ่งตัณหามันมีสองกลุ่มพอย่างที่เรารู้กันนะครับการปรานาว่า น, นาในกลุ่มหนึ่งมันเกิดมาจากสายหนึ่งเพื่อพิว่าปรานาจริงมันเกิดไปจากสิ่งที่หลายขาดศูนย์คือเข้าใจว่าสิ่งที่หลายนันขาดศูนย์ไปได้ เป็การไม่เสีเหตุปัจจัยถึงก็ก็มากเกินไปนะฮะมาเกิดไปเพราะจริงทั้งหลายมันเกิดขึ้นมาได้ตามเหตุปัจจัยแต่เราต้องยอมรับว่ามันเกิดมาจากเหตุปัจจัยเราจะไปกําหนดไปยุติดก็ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างโน้นหรือไปมันเป็นไปไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่เมื่อเหตุปัจจัยยังมีอยู่มันก็มีอยู่เราก็รู้ไปตามเงื่อนไขของมันที่มันเป็นในขณะนั้น เราบราเราแก่ก็คือแก่เจ็บก็คือเจ็บตายก็คือตายพระราค ก, ก็คือพระราคสูญเสียคือสูญเสียแล้วจิตใจก็จะมีหลักเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวคือคุ้มครองใจในขณะที่เป็ น, นก็ไปดวัดไปไปตามสถานะที่เป็นในขณะที่ควายหนึ่งแตกสลายมันไมยอมรับในความแตกสลายและเราเองก็จะยอมรับในความแตกสลายมั น, ก, นการเดินแนวนี้ก็เพื่อจะถ่ายทอน เราต้องมองกลับมามันสืบเนื่องมาจากพระราหุลท่านคิดว่าท่านหลอนะฮะคิดว่าท่านหลอ่อมันเกิดมาณนะว่าเราก็หลอ่อพ่อก็งามนะเราก็ไม่ใช่ธรรมดามันก็สืบเนื่องจากความคิดตรงนั้นเผื่นวิธีการพูดทั้งหมดเนี่ยเราจะพบว่าของพระเจ้านั้นจะพยายามปิดกั้นกระแสกิเลสไม่เพิ่มขึ้นโดยความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตน หือเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้ด้วยอำนาจกองตัณหาด้วยไม่ด้นาจความมานะด้วยอํานาจกองสิทธิเนี่ยคือถ้ามาอยู่ตรงนี้มันจะคว้าเพื่อปลดปลืออัตตาตัวเองเ ร, เ, นนเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้บ้านเราก็ต้องใหญ่ใหรถเราก็ต้องราคาแพงบริษัทหรืิวางก็ต้องมากเงินก็ต้องมากถิ่มก็ตามมาเป็นแถวไปเลยแต่ถ้าเราไม่รู้สึกว่าเราเป็น หรือเป็นเราก็เล่นแข่บทสมมุติมันก็อยู่ที่ไหนก็ได้นะเราจะเห็นคล้ายๆกับท่านมาตมะคาันธีเนี่ยท่านก็เป็นนักปราดคนหนึ่งที่เข้าถึงธรรมะมา ก, มากยามปกติท่านก็อยู่แบบปกติของท่านนงพาโูทีพื้นหนึ่งไม้พาชวีงบาพื้นหนึ่งนก็ไปได้นะหรือไม่เท้าเลยย่บอันหนึ่งไปได้ทุกคนทุกแข่ แต่อยู่ตรงไหนก็ได้นั่งตรงไหนก็ได้ก็ว่ามาตมา ก, การทีไม่เคยนั่งรถชั้นที่สองชั้นที่สามีคนก็ถามว่าทำไมท่านออกไปนั่งรถชั้นที่สามท่านบอกเพราะมันไม่มีชั้นที่สี่หรือถ้ามีชั้นที่สี่ท่านก็คงนั่งชั้นที่สี่นี่ก็แสดงเห็นว่ามันก็แยกตัวตนออกไปได้ระดับหนึ่ ง, งนะ หรือไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในความเป็นของตัวเองแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเป็นตัวของตัวเองยอมรับว่าสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นแง่ของความยึดมั่นถือมั่นเอาเราไม่จะเป็นจะต้องปลดปลือมันนะครับเรากิเลสปลดปลือมันมากมันจเริ่มเติบโตมีกําลังแก่กล้าแต่บังคับไปเราก็เป็นทาสเขาเรื่อยไปอางการเจริญแนวนี้ก็คือมองในแง่ความเปลี่ยนแปลงแปรปลวนไม่คงที่ของความเป็น ของความคิดต่วเป็นตัวเป็นตนเนี่ยตัวเราเป็นจริงหรือเปล่าประก็ราไม่เป็นจริงเป็นในแง่สมมติปัญญาตเป็นห่วงสั้นๆช่วงสั้นๆบางทีมันก็เป็นนาทีบางทีมันอาจจะหลายนาทีหน่อยบางทีอาจจะเป็นชั่วโมงแต่ก็ไม่มีอะไรที่ราเป็นได้ตลอดไปเพราะในช่วงสมมติเราก็เข้าใจในแง่สมงหมดปฏิบัติโดยเหมาะสมสอดคล้องแก่เรื่องของสมมติ แต่ในขณะเดียวกันก็ใจต้องยอมรับความจริงในส่วนที่มันเป็นจริงเอาไว้พ อ, พอความจริงปรากฏใจมันก็ปรับอีกตัวหนึ่งซึ่งลักษณะการปรับของจิตมันก็เหมือนกับการเคลื่อนไหวเรียบบททั้งหลายตัวนี้เราทํางานอยู่ได้กลางแดดเราทางานได้แต่ก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ก็แดดร้อนเท่าไหร่ก็มีผ้าโูกมีอะไรสักอยางวันนี้ก็ฝนตกมาแรงเราก็ต้องหลบล เราจะอยู่ในที่เดิมไม่ได้มันต้องหลบที่ทถ้ามาแรงกว่านั้นมันก็ต้องหลบให้ปลอดภัยมากกว่านั้นถึงฝนมาหนักด้วยมีพายุมาด้วยอีต้นไม้หักโคนทําลายที่ที่เราเคยอยู่ก็ไม่แข็งแรงเราก็หลบไปเรื่อยๆนั่นแสดงว่าเป็นการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆเป็นปบัติอย่างไรที่เป็นการปลอดภัยมัก็ปฏิบัติอย่าง นี่ก็คือแนวอนิจจสัญญาอันนี้จะภาวนาทงชาติกับอนิจจภาวนาเราเคยพบในรูปของสัญญาบ้างในรูปของใจรักบ้างนะอันนี้จังมันก็เป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นเรื่องกับชีวิตเนี่ยเจอเรื่อยเรเรียกว่าเจอทุกวันนะคทําเราก็อยู่กับมันทุกวันแต่ยิ่ความไม่เที่ยงเป็นทุกแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันการต่อไปอนาปานาติซึ่งเป็นข้อที่พระราชนั้นสงสัยนะฮะมันก็เริ่มต้นมาจากที่ พระเจ้าสอนให้ภาวนาบทหนึ่งภาวนาเสมอธาตุนะครับมองแบบธาตุสี่ภาษาบุตรแวะมาเห็นก็บอกให้เจริญนาปานนัตติเรื่งก็สงสัยว่าเอพระพุทธเจ้าสอนอย่างปุถุช า, าสอนอย่างหนึง่งจะเอาอย่างไงกันแน่แต่วาแตกต่างกันอย่างไล้วจเจริญย่ไงไรเพราะภาษาที่บุตรท่านบอกแค่ในาปานนัตติไม่รู้วิวธีในการจเจริญ น, นั่นคือเป็นอุบายวิธี ทำไมเราจะเห็นเรื่องความเคารพหนักแน่นของพระสาวกที่มีต่อพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านสอนของท่านเนะราจะไปอธิบายแทนไม่ได้เพระาะนั้นภาษาอิบูก็บอกแค่คำเดียวเองถึงพปราหุนต้องการรู้มาถามอุปชาไม่ได้ไปถามพระพุทธเจ้าเราจึงพบในแนวนี้อยู่เสมอเช่น ปฏิบัติพระเจ้าเองประเทศสันส้นๆปูดประโยค์สันส้นๆเช่นพัฒน์เดกรัตโตแปลว่ามีราตรีเดียวเจริญเจะทำยังไง ร, ราตรีเดียวเจริญรับสั่งแล้วก็สเสด็จเข้าที่ประทับอะไรเพื่ออะไรเพื่อเปิดโอกาสให้พระสงฆ์เนี่ยหาความความจริงความหมายที่สมบูรณ์ของคำว่าราตรีเดียวเจริญซึ่งแน่นอนท่านเหล่านี้ ก็ต้องดิด้นรนสแปร์คําตอบประมาณที่ายไปถามพระสารีบุตรประมาณกัจจยน ะ, ะกัจจายนาบอกเอท่านท่า น, นไม่สามารถจะอธิบายหรอกพระพุทธเจ้าเราสั่งไว้ก็ขออธิบายดูขออธิบายดูทั้งอธิบายเสร็จแล้วก็บอกว่าคุณน้องเอาไปเทียบเคียงกับคุณถามพระเจ้าอีกทีนึงนะพระเจ้าทรงแสดงยังไงก็เอาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไปทรงสัตไป ภิกษุเหล่านั้กราบทุนถาพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ทรงแสดงเหมือนกันอันนี้เป็นเป็นแนวที่ต้องการจะยกจ่องประสาวกโพราพร ะ, พระมากระเจ้าจะน่าท่านอยู่ต่างจิต น, นานจะโผล่ก็มาทีหนึ่งพระในเมืองก็ไม่รู้จักว่าท่านเป็นใครมีความตัองการอย่างไงความรอบรู้สามารถอย่งไงพรพุทธเจ้าก็มีวิธีที่จะยกย่องท่านเหล่านั้นว่าสามารถแสดงธรรมะได้เช่นเดียวกับที่โรง เป็นการเพิ่มสมมาคารวะเพิ่มความเคารพนับถือที่ภิกษุสงฆ์ทั่วไปจะต้องมีต่อพระเรียสงเราเ็งในวนาปนานสติอย่างที่บอกไว้แล้วว่าวันเป็นแนวเดิมแต่ว่าแนวการปฏิบัตินั้นท่านสชาชนจะสังเกตได้ว่าเราก็เน้นเราก็เน้นอยู่ที่ที่สองคู่แรกกันนะครับ แต่ว่าแนวที่พูดถึงการนั่งคูปัญลังต่างกายตรงดํารงสติไว้เฉพาะหน้าเป็นที่น่าสังเกตนะฮะว่ากรรมฐานอื่นไม่ค่อยพูดพูดเฉพาะอนาปานาสติเด่นยามญที่อานาปานนติเพราะอะไรเพระพุทธคุณที่จริงเราอยู่อ ย, อย่าปวดใดก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องการนึกนึกถึงพระพุทธคุณทำรรมาคุณสร้างคุณสร้าคุณจารคานติศีลานติอะไรแต่ไหน อ, อยู่ในยาบทใดก็ได้เพราะไม่ได้อยู่ที่ตัวลมที่เราต้องดูลมแต่ว่านาปาณตินั้นเป็นเรื่องต้องตั้งสติไว้ที่ลมหายใจเขา้าออกเพราะท่านั่งสถานทีนท่นั่งเรียบที่นั่งมันจะต้องเข้าช่วยพอสมควรการนั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงเป็นวิธีที่ทําให้ส่วนต่างๆของร่างกายไม่ท่วงไปในด้านใดด้านหนึ่งทให้นั่งได้นาน การดูลมเองก็ดูด้วยกล่องเพราะถ้าเรานั่งเรียบทไว้ดีลมมันมันก็ขาดมันก็เดินไม่ค่อยสะดวกแล้วต้องใช้วิธีนั่งขัดสะาัดดังคู่บัรลังในนั่งคู่บัรลังเองก็มีอยู่แสดงอยู่สองแนวเลยเห็นว่าแนวหนึ่งก็คือเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับเท้าซ้ายตั้งกายให้ตรงตรงสติไว้จะพอหน้าแต่จริงมือขวาทับมือซ้ายทับขวาทับเ้าซ้ายเนี่ยพระเจ้าไม่ได้แสดง ก็สทรงใช้แต่ว่าปริมือข้งสติงอุปตะเบตวะวาคือมีสติตั้งไว้เฉพาะหน้าคือระลึกรู้อยู่ใโลใหมหายใจเขาออกพระโบราณอาจารย์ในชุดหลังแล้วก็คิดค้นวิธีที่จะทำให้มั น, มนสะดวกอะ่ะแล้วก็นั่งได้นนานจิตใจไปถูกเบียดเบียน ด, ด้วยเวทนาความทุกข์ความสุขอะไรมากเกินไปแล้วก็ออกทับขวาทับทบซ้ายมือขวารองทับมือซ้ายตั้งกายตรง ต่างสติจะ ล, ลึกอยู่เฉพาะหน้าของอารมณ์ก็ลมหายใจเข้าออกแต่แนวหนึ่งก็เลยไปจนถึงขัดสมาธิเพชระอย่างแนวหลวงปู่สิมเนี่ย น, นก็ขัดสมาธิเพชรแต่จริงขัดสมาธิเพชรมันก็มีอยู่เยอะนะเรก็ใช้คือต้องกายตัวมันมันมันตรงแต่นั้นเองที่ที่จริงตัวนี้มันเป็นรูปแบบไม่ใช่ตัวเนื้อหา ใครจะใช้ยาบทใดมันก็ไม่ว่า ก, กันเพราะว่า จ, จริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ปริมุขขั้งสติเงวปัติเปตวาคือตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเขา้านั่นคือตัวหลักมันอยู่ตรงนี้ธมาที่เป็นอุปกรณ์ในที่นี้ไม่ได้ทรงแสดงแนวมาสติปัฏฐานถือว่ามีสติมีสามัญชนามีความเพียรคือไม่ได้สอนแต่กันแต่ว่าเรื่องเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องที่ต้องมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติ คือแสดงหรือไม่แสดงผู้เจริญภาวนาก็ต้องรู้ว่าสติสัมจัยความเพียรขาดไม่ได้ถ้าขาดมันก็ไปไม่ได้ไม่จะท่านนั่งจะดียังไงก็ตามเราขาดสติเราขาดสัมจัยเราขาดความเพียรพวกนี้มันก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะตัวตั ว, ต, ว, ต, ว, ต, ว, ต, วตัวที่ช่วยหลักจริงๆมันอยู่ที่สติสัมจัยความเพียรไม่ได้อยู่ที่ตัวลมลมเป็นเครื่องมือเฉยๆเครื่องมือในการใช้สติใช้สัมจัยใช้ความเพียรระลึกรู้อยู่ในตัวลมหายใจเขา เราไใจก็ออกที่จริงก็เถียงกันอยู่ในคำพีเองก็เถียงกันเถียงว่าข้าขวก่อนหรือออกก่อนก็ปัญญามาที่บายกันทุกแห่งไอ้เรื่องอาณาปานาตินี้เถียงกันมาตั้งนานแล้วเจ้าข้าวก่อนออกก่อนพูดไปพูดมาท่านพูดไปน้อนจนเด็กเกิดไ่ใหม่นะนะเด็กคลอดมาเนะี่ยท่านบอกว่าต้องหายใจออกก่อนแตที่จริงมันก็น่าจะพูดตรงนั้นนะฮะตรงตรงที่เรานั่งอยู่นะ พูดถึงเรานั่งนะไม่ใช่พูดถึงถึงช่วงที่เร า, เ, ราเกิดมาเพราะในขณะนั้นนะหายใจเข้าจะออกก่อนก็ได้แต่จริงแล้วตามปกติคือถ้าไม่เข้ามาก่อนก็ไม่รู้จะเอาอะไรออกไปดังนั้นส่วนใหญ่เวลาท่านอธิบายเนะี่ยท่านจะอธิบายถึงเข้ามาก่อนหายจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวนะครับมายความว่าลงหายใจเราก็ปกติของเรา อาจจะยังไงเพียงแต่เอาสติสัมจัญญะเนี่ยไปจับที่นั้นด้วยความเพียนพยายามลมหายใจคงเป็นลมเพียงแต่ว่าเราตามตั้งสติระ ล, ลึกตามลมไปตั้งช่วงเข้าและช่วงออกส่วนยาวหรือสั้ น, นก็แล้วแต่ถ้าสั้นหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าขนาดนี้เราหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าขนานี้เราหายใจออกสั้นมันก็มีอยู่สองวิธีตรงนี้แนวของการปฏิบัติแต่ทีนี้ถ้ามันเกิดเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงก็ทรงใช้คาว่าสาเนีจอังเราจะเห็นว่าตรงนี้ใช้สมมชัญญะเป็นหลักสาเนีกก็คือปัญญานะฮะสำเนีกรู้การสงบระงับแผงลมสาเนีกรู้กองลมนะฮะกองลมก็คือว่าเราเวลามองลมเราก็มองต้นลมปลายลมกลางลมมองขาเข้าหรือขาออก เราจะเห็นว่าถ้าขาเข้าก็คือจุดที่ลมกระทบเป็นต้นลมตรงตรงลมผ่านมาทางหัวใจเนี่ยก็เป็นกลางลมแล้วก็ลมเลยไปหายไปเนี่ยก็ถือเป็นปลายลมเนี่ยนะตอนตอนออกต้นลมมันก็อยู่ที่เหนือสะดือมาแล้วก็ผ่านหัวใจแล้วก็ผ่านมากระทบที่ปลายจมูกเพราะฉะนั้นตรงหัวใจนี่เป็นกลางลมทั้งเข้าทั้งออกแต่ว่าปลายจมูกหรือเหนือสะดือมามันก็มันก็แล้วแต่เขา้าแต่ออก คือเปล também, bem, imen, você você ha, bem, tipo, ี meals, encontra, ่ยนกันเป็นหัวเปลี่ยนกันเป็นต้นเปลี่ยนกันเป็นปลายก็นี้เรียกว่งลมคือดูกองลมที่มันสงบไปคือการตั้งขึ้นก็ดีหรือการการเข้าก็ดีการออกก็ดีเนี่ยแล้วก็ดูไปจากนั้นก็ดูการสงบระงับของกายสังขารคือลมหายใจที่ก็สงบระงับถ้าไม่สงบระงับก็แล้วไปนะฮะ มาความต้านลมหายใจก็เกิดสงบก็เกิดละเอียดอ่อนไปเรื่อยๆจนถึงก็หายไปเลยท่านสอนแม่ตกใจท่านให้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาดูตรงนี้คนที่ไม่มีลมหายใจนเป็นใครบ้างนะเห็นว่าคนตายและคนปอบปีคนก้าวิโรสสมาบัติเด็กยู่ในคันอะไรแต่และก็ว่าไปเลยก็แต่เรายังไม่ได้อยู่อย่างนั้น คนดำน้ำนะฮะคนดำน้ำไม่ใช่เด็กอยู่ในการข่มคนดำน้ำทุกวันดำน้ำก็กหาใจได้แล้วมีเครื่องช่วยก็ามานาสิการตรงนี้แล้วก็ตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่จุดซึ่งลมเคยกระทบไปดูตรงนั้นอย่าไปต ก, ตกใจอย่าไปกระซับกระซายอะไก็ดูเป็ตรงตรงตรงนั้นตรงนี้นตาลุบมาไว้ในปีสุติมากว่ามันเหมือนกับคนเลี้ยงโค อที่โคมันหายไปอรหายไปเวลาไปตามก็ไปดูที่ท่าน้ำซึ่งโคเคยกินอาหารจะเจอที่นั่นแหะไม่ไปไหนหรอกแล้วเมื่อไปรออยู่พอเจอโคก็ค่อยนำกลับมาเราหัยใจเข้าออกมันก็เหมือนกันมันก็ผ่านมาทางช่องจอมูกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วก็ตั้งสติเราลึกอยู่ที่ช่อง ลมหายใจผ่านข้าวผ่านออกก็จะรู้แต่มันก็อาจจะละเอียดนะฮะลงละเอียดลงอันนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องของความจําเป็นต้องใช้ลมหายใจก็ออกด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของกรรมฐ า, านด้วยประการต่อไปก็ให้สอนดูที่ปีติหรือความเบื่อปิ่มที่เกิดขึ้นภายในใจมาความาสุขเวทนานะฮะมันมั น, มนก็ก็ดูตัวเวทนานั่นเองหรือ ป, ปีติคือความเบื่อปิ่มที่เกิดขึ้นภายในใจ ทีก็กระเทือนถึงกายลักษณะความเบิกบีมการใจมันฟูขึ้นะใจมันโปร่งฟูขึ้นบางทีก็อาจจะเต้นยุกยับไปตามผิวบางทีมันอาจจะแค่กระตัวจะลอยอะไรตรงนีบางครั้งก็เกิดขึ้นเป็นปากเป็นตัวยามคือหมายความถ้าเกิดอ่ะถ้าไม่เกิดก็ไม่ต้องดูมันคือถ้าเกิดถ้าเกิดก็ดูที่ปีติแต่ทีนี้ปีติเนี่มันก็อาจจะเกิดทีหลังสุกก็ได้ เราดูในปัจจุบันเรื่องกรรมฐานที่จึงเป็นการเรื่องทางสติราเลิกรู้รู้อยู่ในปัจจุบันแต่สมมติเราสุขเกิดเราก็ดูที่สุขถต่สุขไม่เกิดมันก็ปิติเกิดเราก็ดูที่ปิติคือสรุปว่าอะไรเกิดมันก็ดูตรงนั้นแระบวนการต่อไปก็คือกำหนดดูจิตเมื่อกรู้อยู่ที่จิตก็จิตดูจิตนะฮะ เราจเห็นว่าจิตดตูเป็นการระลึลกรู้แล้วก็ในชั้นต่อไปก็ดูจิตที่ส ง, งบความอาการส ง, งบของจิตสังขารจิตสังขารคืออะไรก็คือลมหายใจเข้าออกนั้นเป็นเป็นกายสังขารนะฮะปรนปรือกายวิตกวิจารเป็นปรนปรือวิจา แต่จิตสังขารเองก็เปิดปุจิตก็คือสัญญาความทรงจําก็เวทนาแล้วก็ดูไปถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นภายในใจเส้นพวกนิ้วอนอะไรเกิดขึ้นตีนว่าใจเวลานั้นก็มีปัญหาแล้วกิดเลสมนเกิดก็เรื่องจิตนะเรื่องจิตคล้ายๆกับเรากินอาหารนะก็มีอะไรปลิวลงมาในอาหารก็ เสื้อผ้าตัวกรก็จะล้างเสียหมายควมเมื่อมองสิ่งเป็นโทษอ่ะบางสิ่งเป็นโทษที่มันเกิดขึ้นภายในจิตในขณะนั้นก็พยายามที่จะขจัดแต่ท่านใช้คำว่าเปรืองก็มาเปลืองก็แปลว่าเปรืองกับเปลืองคือคล้ายๆมันมันมันมันพวกนั้นมันก็เข้ามาครอบงำแล้วก็เปลืองไปอาจจะขจัดบําปัดปัดเป่าอะไรก็ได้ก็ใช้คําอย่างไงก็ได้ แต่สรุปว่าจิตมันมีปัญหาเพราะว่ากิเลสที่จรมาเนี่ยทำให้จิตเศร้าหมองทางวิชาวิธีที่เจตที่เรียกกันาเรื่อรื่จิตีนี้ถ้าจิตมันเริ่มจะตั้งมั่นก็ทำให้มันตั้งมันเห็นความตั้งมั่นของจิตก็พยายามดูว่าวิธีอะไรที่ทำให้จิตมันตั้งมั่นได้ก็พยายามตั้งมันก็เหมือการวางของการอะไรต่ออะไรเนี่ยนะเราจะเห็นว่ามันใช้ปัญญาดูว่า วางยังไงวางตรงไหนนะวางโดยวิธีใดจึงจะมีความมั่นคงแข็งแรงเราก็วางไว้ย่างงั้นใจเราก็เหมือนกันนะใจที่จะมั่นคงเป็นสมาธิตั้งมั่นได้โดยวิธีใดแล้วก็วางใจไว้ในที่นั้นที่บางทีนี่ใจมันเดินดีนะใจ ม, มีความสงบมีสมาธิอยู่เราก็รักษาใจไว้ตรงนั้นรักษาใจมีมสมาธิไว้เรืย ในการปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องอย่างนั้นเสมอไปเราจะพบว่าบางเรื่องเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับยาบทแล้วแต่ทุกอย่างในทุกตอนเนี่ยสงใช้คําว่าหายใจเข้าใจออกทุกตอนเนี่ยจะใช้หาใจเข้าใจออกเพราะหายใจเข้าใจออกมันก็ต้องมีนะมีแล้วก็ตายก็ดูว่าถ้าจิตแกตั้งมั่นเป็นสมาธิดีมันก็ประคับประคองจิตไว้ประคองจิตไว้ต่อุปมาใลา้ๆเราขับรถอะไรเนี่ย ความท่ารถเดินไม่ได้ดีมันก็ไม่ต้องทำอะไรมาก okay, แต่ประคองให้มันไปดีๆก็แล้วกันไอ้เฉ hey, ล็บซ้ายเฉล็บขวาเนะี่ยยุ่งนิดหน่อยแต่ถ้าว่าเขาประคองอย่างดีๆแล้วก็ใช้กําลังเรียแรงอะไรไม่มาก mm hmm. ทีนี้เมื่อ mm hmm. เมื่อปฏิบัติไปน mm hmm. ปฏิบัติไปปฏิบัติไปเราจะพบว่าจิตมันจะมีความประนีตมาก จะอาจจะถึงกับหลุดพ้นจากความน่ากิเลสไปช่วระยะหนึ่งหลุดพ้นได้นานๆเราก็ดูจิตรักษาตรงนั้นไว้ัษาจิตเอาไว้แต่อย่าลืมว่าถ้าระดับของการปฏิบัติมันก็หลุดพ้นจากกิเลสเป็นชั่วขนาดขนาดนี้ได้นะแต่ว่านานๆนนก็คงไม่ได้นอกจากพอเป็นชั้นของสมาธิไปแล้วหรือเป็นชั้นของการเรียปรัชนาไปแล้วก็มีเรื่งึงอีอันนี้มันนานหน่อย ต่อไปก็ดูที่จิตดูที่อะไรนามรูปอะไรที่เราจะหยิบยกขึ้นมาเนี่ยแต่แล้ว แ, แ, แต่จะหยิบอะไรขึ้นมานก็ไม่ใช่หยิบไปที่จริงจิตมันก็เหนียวไม่ใช่เอื้อมมือไปดูหรอกมันดูที่จิตการจะดูที่ลมหายใจเข้าออกเนี่ยเราเห็นว่าลมหายใจเข้าออกที่จริงมันก็ไม่เที่ยงไม่ได้มั่นคง ยาวบ้างมีสั้นบ้างมีแรงบ้างมีเบาบ้างนะมีอ่อนบ้างนะแต่บางทีบางทีก็หายใจหนักๆบ้างก็แสดงว่าลมหายใจมันไม่เที่ยงมันขึ้นอยู่มนกับเหตุปัจจัยหายใจไปก็อาจจะดับก็ได้ดับแล้วมันก็จะพื้นขึ้นมาอีกก็ได้ก็ทําเห็นมองในแง่ของการไม่เที่ยงตรงนี้ใจมันสงบมากอพอสมควรมันก็คงมองอะไรได้ จเก็บสะสมเอาไว้เพื่อทายถอนตัณหาวานนะคือความเป็นของเราความเป็นเราเป็นตัวตนของเราให้ให้มองเห็นว่าไม่เที่ยงแต่แทนที่จะมองตรงนั้นเราก็มองแค่แค่เป็นขันหรือแค่เป็นอะไรก็ได้แต่ตอนต้นพระสูตรท่านทายส่วนทั้งหลายจะสังเกตว่าพระเจ้าเอาที่ขันนะฮนะเอาที่ขันห้าหรือรูปเป็นตนาตัาตาญญาตัณฑ์ปิจารณ์เพราะเราจะยกตรงนั้นขึ้นมาก็ได้ ไปมองรูปเป็นของไม่เที่ยงรูปใดไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกข์รูปใดเป็นทุกข์รูปนั้นก็ไม่ใช่ตัวเจตุลรูปใดไม่ใช่ตัวรูปนั้นก็ไม่ใช่ของเรารูปนั้นก็ไม่ใช่เรารูปนั้นก็ไม่ใช่ตัวเ่ตุลของเราเวทนาตระยาตั้งข่ายนิญจาณก็มองแนวเดียวกันตีถ้าถ้ามองได้และได้เห็นได้จริงไอ้จิตที่เคยยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเรามันก็บรรลงไป คือสามารถที่จะปล่อยวางได้ตลอดสังเกตว่าจิตใจเราพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมากๆก็พรอ้อมจะเสียสละจุดหนึ่งยังข่าวคราวเรื่องราวต่างๆที่ตล่มที่โกราชนะ่ะโดยพบว่าคนมางคนมันก็ถึงจุดที่จะต้องปฏิบัติธรรมะแล้วละลาทรับเพื่อรักษาชีวิต อะไรของในกระเป๋าอะไรเท่าไรก็ไม่ต้องสนใจแล้วเอาชีวิตอด อ, ออกไม่ได้กันถถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสละทรัพย์เพื่อรักษาชีวิตแล้วแต่เป็นอันเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเรื่องเป็นเรื่องของอวัยวะที่จะต้องสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้แต่วงคงไปถึงชีวิตไปเลย อันนี้ก็กคือก็คือว่าธรรมะมันก็เผชิญหน้าที่จะต้องทำแล้วจะเอาจะเอาอย่างไงคือเอาหมดไม่ได้เอาเท่าที่ได้จะทําให้จิตใจพร้อมคือปรุงปลกุกเรียกว่าสําเนียบสำเนี๊ยกดูว่าจะเอาอย่างไงมันก็ได้แค่เนี้ไอ้สุดก็ทําใจได้ทําใจได้แล้วก็ความโศก ค, ความเสียอกเสียใจอะไรแต่ลดลดลงไปนะเพราะว่าของที่เคยเป็นของเรามันไม่เป็นของเรา ที่เป็นตัวเป็นตนของเราหรือที่เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต่อไปก็คงไม่เปลี่ยนแล้วแม้จะเป็นตัวเป็นตนในส่วนร่างกายมันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วคือถูกตัดถูกปิโกุมพิการไปบ้างแล้วมันก็ต้องปรับใจอยู่ได้ตรงนี้ถ้าเกิดปรับใจไม่ได้ในช่วงหลังมันก็มีปัญหาทางสุขภาพจิตมีปัญหาทางอารมณ์ซึ่งก็พร้อมที่จะมีปัญหาทางสังคมหรือครอบครัวแต่ถ้าเป็นการปรับจิตได้มันก็อยู่ได้ ก็อยู่เท่าที่อยู่ประการต่อไปท่านจึงบอกม อ, อบแป็นที่วิราคะคือดูจิตที่มันมีกิเลสจางไปเจ้ที่บอกไปแล้วว่าการจางไปกิเลสนั้นก็ไม่ใช่ความบอกไม่ได้หมายความบําหมดแต่ว่าทําอย่างไงที่จเจริญธรรมกรรมฐานมาหนาเนียตรงนีทง้ทรงสอนเรื่องจาฆคาเอราคะนะฮะ แต่ราคะอย่าลืมนะถ้าราคะลดโทวสะลดโมหะลดที่เราพูดว่ารักมากแล้วโกรธมากนี่รักรักน้อยก็จะโกรธน้อยนะแล้วก็หมายความว่าทุกน้อยด้วยเช่นสมมติเรารักคนนี้มากแล้วก็ทําให้เราผิดหวังมากเราจะโกรธโกรธมากพอทําทอะไรลงไปเดี๋ยวน้าความโกรธแล้วจะทุกข์มากตกลงมาตามกันเพราะอะไรเพราะว่า ความรักเนี่ยมันเป็นกิเลสมันเป็นราคะโร่เนี่ยไม่เป็นกิเลสคือเป็นโทสะเมื่อกิเลสราคะกับโทสะก็แรงไอ้ทุกข์มันก็แรงเพราะว่ากิเลสมันเกิดมาจากทุกข์ทีนี้ถ้าพวกนี้ลดความทุกข์มันก็ลดถ้าพวกนี้หมดความทุกข์มันก็หมดมันก็อยู่ที่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่ตรงทุกข์ตนั้นคำว่าวิราคะคือดูจิตที่มันราคะมันจางกวคือจิตกําหนัด ในรูปในเสียงในจิตในรสในรังพันจางออกไปดูดวความจางไปของราคาจะสมมติเราเห็นรูปที่สวยๆจิตกําหนดด้วยอํานาจว่ารูปนั้นสวยปรุงคิดต่อไหมคิดปรุงต่อไหมหรือสงบได้ก็ยอมรับแค่ว่าสวยก็สวยโลกมาสมมติว่าสวยก็สวยก็แล้วไปกระจบ ไม่ได้ตกค้างอยู่ภายในใจคือไม่ได้เก็บมาคิดกระสันอยากจะได้จะมีจะเป็นในสิ่งเหล่านั้นก็แสดงว่าราคาบังคัลดลงไปลดลงไปกว่าเมื่อก่อนเพราะฉะนั้นดูลักษณะาอารมณ์ทั้งในส่วนที่มีตัวกระตุ้นจากข้างนอกในขณะนั้นที่จริงถ้าเรานั่งกรรมฐานมันก็ไม่มีตัวกระตุ้นไม่มีตัวกระตุ้นจากข้างนอกเพนั่งหลับตาภาวานาอยู่ แต่ก็มีการกระตุ้นมาจากข้างในคือใจที่สำนึกด้วยอำนาจกามรักครับอยู่เจ้าทรงทรงใจว่าจริงๆริะจริงๆเนี่ยสังกับปราโคบริษัทสกาโมความดาริด้วยอานาจความใคร่เนี่ยเป็นการของคนหมายความเป็นยังไงหมายความว่าสิ่งนั้นถ้าเราไม่ไปดำริไม่ไปคิดว่ารูปนั้นสวย จนถึงก็อยากได้เสียงไพเราะจนถึงก็อยากฟังกลิ่นหอมจนถึงก็อยากดมรสอร่อยจนถึงก็อยากจะลิ้มจะชิมสัมผัสน่าจัต้องจนถึงกับอยากจะจับต้องไอสิ่งเหล่านั้นก็อยู่อย่างที่บรรจุใจเราก็อยู่อย่างที่ใจเราแต่เราก็ยอมรับในแง่เพราะว่างามก็งามก็ไม่ประมาไรก็ไม่ติดใจอะไรใจไม่ได้ผูกพัน แต่เราไม่ได้เอื้อมไปแล้วก็ปลูกมัดเอาไว้พวนี้ที่จริงใจมันเอื้อมไปปลูกเอามันไม่ใช่ว่ามันมาปลูกเราแต่เราไปปลูกมันแต่เราไปปลูกมันก็จบแล้วเพราะฉะนเราจึงสังเกตได้ว่าตรงเนี้ถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยมันอาจจะเป็นออกมาเป็นรูปของความโศกหรืออาจจะออกมาปรูปของความขยะกขยงก็ได้ความรังเกยียจก็ได้แต่ว่าตามจริงๆแล้วต้องออกมาในรูปรูปขการรู้เท่าทัน ถึงพบ ว, ว่าคนบางทีที่ครักใคร่สนิทสนมวงยัยเอื้อตอนต่อกันพอฝ่ายหนึ่งเกิดพิกลพิการเนี่ยเกิถูกไฟไหม้เกิดถูกปุบติเหตุอะไรอะไรเกิดขึ้นมันก็ดูที่ใจว่าใจขนาดไหนถ้าความรักมีไม่มากนะมันก็จะออกมาเป็นความรังเกียจไปเลยความรังเกียจไปเลยแต่ถ้าความรักมากนี่จิตมันต้องปรับเป็นเมตตา สงสารกรุดาก็สงสารเขาแล้วก็หวงใยต้องการจะบำบัดทุกข์ให้แก่เขาแต่ไม่จะออกมาในรูปของหลักค่ะมันจะออกมาในรูปของเมตตาคือไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจในความสวยงามแล้วเพราะรูปมันไม่งามไปแล้วนะรูปไม่งามไปแล้วแต่จะออกมาในรูปของเมตตากรุดูกนาก็กลายเป็นธรรมะปฏิบัติไม่ใช่เป็นการเพิ่มอิเลตแต่เป็นการเพิ่มธรรมะ ซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะนดูดูราคะการสงบประงับของราคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือหยุดหยุดความคิดในการเหนี่ยวเนือ ก, การตรึกนึกถึงสิ่งทั้งหลายที่เราเก็ดสะสมไว้ภายในใจโดยม่านราคะแต่ว่าในในชีวิตประจำวันก็จะมีการรู้เท่าทันต่ออารมณ์ที่มากระทบ ซึ่งบางครั้งเนี่ยพระเจ้ามองในรูปอรตจนาภายในเช่นศักระตาศักระหูศักระมุกศักระลิ้นศักระกายศักระใจคือมองจักาะภายในบทีมองจักาะภายนอกสักรูปศักระเสียงศักระกลิ่นศักระรสศักวะโผฏระพระคือสิ่งที่มากระตุกศัก่าอารมณ์บางทีก็มองไว้เห็นก็ศักระเห็น มองอาการเห็นว่ามองอาการเห็นก็สองแต่ว่าเห็นได้ยินก็สอ่องแต่ว่ายินทราบก็สอ่องแต่ว่าทราบรู้ก็สอ่องแต่ว่ารู้ก็ไม่เอามาปรุงคิดคิ ด, คดปรุงเป็นการเพิ่มการมาราคะเพิ่มการมาราคะขึ้นภายในใจนี่หมายความว่าสติสมัมปจญยะระลึกรู้ดูจิตในขณะนั้นว่ามีราคะหรือมันลดลงไปได้ไหมแต่ลดลงไปก็พยายามลด ลดช่วงสั้นๆได้ลดช่วงยาวๆไม่ได้ก็เพิ่มช่วงมันยาวขึ้นซึ่งจริงๆใจนว่าจริงๆกา ร, ร, ร, ร, ร, รลดกิเลสเยเราก็ลดได้นะมันลดโดยธรรมชาติเป็นอย่างหนึ่งมันมีใครโกรธอยู่ตลอดยีบี่ชั่วโมงมันก็ลดกันได้โดยธรรมชาติแต่ว่าถ้าเราใช้สติสัมจัญยเป็นเครื่องมือในการลดเราก็จะลดได้นานขึ้นประการต่อไปก็คือดูที่เรียกว่าความดับ อย่างไม่เหลือต้องกิเลสการดับไม่เหลือนี่ที่จริงมันมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วนะเป็นการบรรลุ ด, ด้วยญาณแล้วเพราะสามัญชนเนี่ยยังไงมันก็ต้องเหลือจเจริญทำกรรมฐานไปจนถึงสมาธิเป็นรูปฌานเป็นรูปฌานกิเลสมันก็เหลือนะกิเลยังเป็นตะกลย์นนในใจอ ย, ย่าะงั้นถ้าถึงกระดับโดยไม่เหลือ มันก็มีอยู่สองอย่างคือไม่เหลือในจุดนั้นนั้นหมายความมันดับอะไรตรงนั้นไม่เหลือแต่ตรงอื่นที่เราไม่ดับมันก็เหลืออ้พุ่นที่ก็ดับหมดเลยเพราะฉะนั้นเราเราจึงพบ ว, ว่าพระโสดาบันที่จริงน่านก็ละท่านก็ดับได้ระดับแต่สูวนนี้ท่านดับได้ที่จริงก็ดับจริงนะไม่กําเริบไม่แปลกไม่ไม่แปรผัน ภาษากิตคาภาษานคาทหารแล้วก็ดับดับตัดเศษขาดได้เหมือนกันทีเรามองดูที่ใจเราเนี่ยเราพบว่าจริงๆเลยการดับโดยไม่เหลือบางทีมันก็ดับได้นะเป็นระดับหนึ่งเช่นสมมติว่าเคยเป็นท่าดาบายมุกมามันก็ดับได้เคยเป็นท่าสิ่งเสพติดมาก็ดับได้เคเป็นคนโมโหฉุนเฉียวโกรธง่ายก็ต้องกระทั่งอะไรนิดหน่อยก็โกรธ ก็ดับได้แต่ปัญหาว่ามันกำเริบได้หรือเปล่างดเว้นจากการดื่มเหล้าอยู่คนเดียวหรือไม่มีเหล้าดื่มก่อจะรู้สึกว่าเราดับไปได้เพื่อนมาขยันขยอเหล้าอย่างดีมาให้ดื่ออลองน่อยหน้าลองน่อยหน้ า, นหน า, าไหวไหมนะถ้าไหวมันก็แสดงว่าเก่งที่จ แต่ทีนี้ไอ้เงื่อนไขสังคมที่จริงการปฏิรรบัติธรรมะเนี่ยบางอย่างมันก็ยุ่งเหมือนกันที่พระเจ้าทรงสอนเรื่องปุกะละส ป, ปยายะเอาไ ว, ไว้คือมายความว่าถ้าลำพังเราแล้วเราไม่ทําแต่ว่าพอไปอยู่ในสังคมอีกระดับหนึ่งข้าวเนี่ยการดื่มเหล้าเป็นเงื่อนไขของสังคมไปการแต่งตัวอย่างนั้นด้านี้ก็เป็นเงื่อนไข การร้องแม้แต่การร้องเพลงวิงทีก็เป็นเงื่อนไขทางสังคมไปเป็นนายกเป็นระฐมนตรีเลยต้องต้อ ง, องมาร้องเพลงไงจู่อีกอันนี้มั น, ม, น, ม, นมันกลายเป็นเงื่อนไขสังคมที่จริงท่านเองก็ไม่อยากทําแต่พอไปอยู่กับสังคมอย่างนั้นมันเป็นเงื่อนไขของสังคมมันก็บีบก็ทําให้ต้องทำเพราะฉะนันที่พระเจ้าเน้นปุคลาสภายะกริีเน้นการยานามิตรกติ ถึงหมายความมาให้เกี่ยวข้องคบผลาสมาคมกับคนดีที่ไม่ฉุดดึงเราไปสู่อำนาจของกิเลสอีกอำนาจของอารมณ์อีกแล้วก็เราก็คุ้มครองตัวเราได้หมายความว่าแม้เราอยู่จะจะอยู่กับเขาเมื่อเขาบังคับไม่ขยันกระยอนอะไรเราไม่บีบเราก็อยู่ได้นะ ใช่เเกี่ยวข้องกับฝายสมัครของเราได้เพื่อนดื่มล่าเราก็ดื่มน้าก็อยู่กันได้ปัญหาต้องการว่าคนเหล่านั้นต้องเป็นบัณฑิตพอสมควรเป็นกัญญาเมตรกาเราพอสมควรถึงเขาอาจจะไม่ทั่วไปแต่ว่าสมัครกับเราก็เป็นกัญยาเมิตรได้เราก็อยู่ร่วมเขาได้นการปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งมันถึงจุดหนึ่งนิกิเลสมันจะจางจางจนเรียกว่าไม่ย้อนกลับมา เรียกปฏินิสังกะคือถ่ายถอนแล้วไม่ย้อนกลับคือการลักกิเลสมันก็มีอยู่สองแนวนะแนวหนึ่งมันก็ย้อนกลับจุดสุดมากแนวอันนี้เป็นแนวใหญ่ย้อนกลับมาเรื่อยวันนี้จิตใจดีสุขภาพจิตดีลักษณะสิ่งแวดล้อมอารมณ์ดีปัญหามันน้อยแล้วก็ไม่ค่อยโกรกค่อยโลภอะไรทั้งไรบางทีก็ไม่โลภไปเลยไม่ต้องการไปเลยแสดงว่าแกร่งมาก แต่พอถูกอารมณ์ข้างนอกซึ่งมันยัวยวนบ้างยั่วยุบ้างข่มขู่บ้างคุกคามบ้างแต่เราจะเห็นภาพจริงๆสังคมเนี่ยมันมันเป็นเรื่องยุ่งยากมากในการที่จะรักษาความดีเช่สมมติว่าคนคนนี้เขาจริจริงน เ, นเขาเป็นคนดีมากมีความกตัญญูมีความรักครอบครัวรักพ่อแม่กตัญญูต่อพ่อแม่บุปกการีกันตัวเองแล้วก็ไม่เคยทําชั่วหาทรัพย์สินเงินทองมาเลี้ยงดูครอบครัวได้ว่า พอดีมันมีคนบางพวกเห็นว่าคนเนี้ยเขาเป็นกตัญญูกตวเวทีรักลูกรักเมียดีกว่าจ ะ, ะคมาข่มขู่ว่าให้คุณทําอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าไม่ทําอย่างนั้นจะฆ่าพ่อจะฆ่าแม่คุณหรือจับลูกคุณไปอจะจับพันยาคุณไปอันนี้มันก็อยู่ในจุดที่ทักจะมีปัญหาแหละมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องใจเราโดยเฉพาะ ใ, ใจเราเราก็แก้กิเลสตรงนั้นได้แต่พอดีมันก็ถูกการบีบคันมา ถ้าไม่ทําอะไรไปตามเขาว่านะพ่อแม่ก็อาจจะต้องตายนะเราก็จะเสียใจตลอดชีวิตที่นี้มันปัญหาว่าเรื่องเสียใจนะคือถ้าคนก็จะคิดมันจะคิดอีกแบบหนึ่งแต่ว่าในแง่สังคมเนี่ยทำตัวยากเพราะอะไรเพราะว่าเราก็อยู่ในสังคมจะต้องว่เราปล่อยพ่อแม่ตายถู่มคู่โดยไม่ยอมช่วยเหลือไม่ยอมทําตามแต่เก็บังคับเรียกร้อง เราได้ปฏิบัติธรรมะในส่วนนั้นจริงแต่ว่าในส่วนการันตโยกตุเวทีเราไม่ได้ทำแล้วถูกสังคมประนามย้าหมินอ้าวมันก็บก็มีปัญหาตามมาดังการลา ก, กิเลสเนี่ยจึงขนาดที่ไม่ถ่ายถอนไปสู่อำนาจของกิเลสอีกจึงเป็นเรื่องระดับพระยาบุคคลท่านจะเป็นการณะวสิโกกิจะทำอะไรไปตามอนานาจของเหตุของ วันเราเรายัางพบว่าคนที่ไม่ย้อนมาสู่กิเลสอีกแล้วก็มีมีงานที่ท่านทำไปเรียเป็นผลของท่า น, านเช่นพระโมกคัลลานะโยมวตารของท่านถุกคนมาจับจับลูกไปนะจับลูปไปเรียกคัดไทยโยมก็หมดกําลังแล้วนะฮะจะจ ะ, จะไปไปเอาเด็กกลับมาท่านไปเองเลยท่านไปเอามาเองเลยตัชาอิทธิฤทธิ์คือหมายความว่ามไม่ได้ประทุษร้าต่อโจร ต้องเอาเอ า, เอาเด็กกลับมาเท่านั้นเองก็เป็นธรรมะในภาคปฏิบัติายความว่าวิธีแก้ไขปัญหนานั้นจะมีความนิ่มนวลแล้วจะไม่กระทบกระทั่งไม่มีความเดือดร้อนใครเพราะอะไรเพราะว่าธรรมะในแนวนี้ในแนวที่เป็นการโอบปุ้มทนุถนอมเอื้อทอนห่วงใหญ่แต่ไม่เจือรือกิเลส กิเลสไม่มีก็พวกกรุณานะครับพวกกรุณาพวกเมตตาเนี่ยจริงไม่ได้เจออะไรกิเลสท่านก็ใช้ธรรมะเหล่านี้ได้บอกฉันทะความพอใจเป็นอิธิบาทท่านก็ใช้ท่านก็ปฏิบัติธรรมะกิเลสก็คือเรื่องของกิเลสกิเลสก็ท่านสงบไปแต่ธรรมะเรื่องสังคมนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งท่านจะรู้ว่าตรงนี้มันเป็นอะไรจริงจ่ง ยังเคยเล่าตัวอย่างให้ฟังว่าตอนปลายพุทธสมัยเนี่ยพระเจ้าไม่ได้เสด็จล ง, งปฐมภูมิโมกก็่าจะทรงพระชะลาลงก็เหน็ดเหนื่อยม า, มากอย่างหนึ่งก็คือพระชักจะมันเยอะขึ้นอ่ะก็มั่วๆไงเจ้าคนพระที่ไม่เรียบร้อยไม่บริสุทธิ์ก็อยู่ในสมวันหนึ่งมีพระไม่บริสุทธิ์องค์หนึ่งอยู่ในสงนะ พระุทธเจ้าก็ไม่ลงพระานุนไปกลับทูลยามหนึ่งยามสองยามสามอาจะจะรุ่งราพระพุทธเจ้าจะไม่ยอมลงอะไรรับสั่งในวรระที่สามทพระานุนไปทูล น, นะบอกว่าอา น, นุนบริษัทไม่บริสุทธิ์การทําโบสดกับสงฆ์ที่ไม่บริสุทธิ์นี่ไม่ควรแกต่ตถาคตพระานุนก็กลับมาเรียนให้ที่ประชุมทราบ พ, พระมคคัลลานั้นตั้งกำหนดรู้ได้ยาน ท, ท่านว่าองค์ไหนไม่บริสุทธิ์แล้วก็ไปเตือน ประคุณให้ออกไปข้างนอกพระพุทธเจ้าไม่ยอมลงบทสดุดระคุณไม่บริสุทธิ์องค์นั้นก็ทําเต้ท่าเฉยทําไม่รู้ไม่ชี้พระองค์กระลานั้นที่จริงๆท่านก็เป็นผู้เท่าแล้วนะตอนนั้นมันปลายพุทธสมัยนะจับกระชากแขนทงออกไปข้างนอกเลยอันนี้เราเราเห็นว่าเป็นเรื่องของการบริหารบุคคลไม่ใช่เรื่องกิเลสเป็นเรื่องของการรักษาพระพธรรมบิดนัยรักษาหมู่คณะรักษาความบริสุทธิ์ของสงฆ์เอาไว้ เราก็คงทได้นะทำได้โดยอาศัยธรรมะไม่ใช่อาศัยกิเลสเพราะฉะ้พวกราคะที่ลดลงไปก็ดีการดับกิเลสก็ดีหรือว่าการดับที่ไม่กลับฟื้นขึ้นมาก็ดีเนี่ยมันก็ดูที่จิตมันเกิดความรู้สึกเหล่านี้หรือไม่ถ้าไม่เกิดก็แล้วไปมันก็ดูเฉพาะที่มันเกิดพวกนี้เป็นกุศลธรรม พอเกิดแล้วเราก็ต้องประกับประคองคือเพิ่มปริมาณปัญญาเป็นไปพิจารณาให้เห็ญว่าไร้รากิเลสที่มันส ง, งบบางทีมันไม่สงบจริงมันเหมือนกับโรคที่บางทีเราเห็นว่ามันสงบแต่แค่แ ค, แคมันซุ่มรอเวล า, ราโรคกันบางคนไม่รบมะเร็งหายตั้งสองสามครั้ ง, งนะเพื่อนนึกว่าหายแล้วไปซุ่มอยู่ที่ไหนไปเลยปับเดียวบุกข้าวน้ําเหลืองหมดเลยทั้งตัว ตายเพราะกิเลสเนี่ยมันต้องดูที่จิตเราให้เห็นว่ามันมีหรือไม่มีอย่างหยาบมีไหมอย่างกลางมีไหมอย่างละเอียดมีไหมอย่างหยาบนะห็นก็ได้ชัดอย่างกลางจะเห็นยากขึ้นแตอย่างละเอียดจึงเห็นยากใหญ่ได้เพราะใดเพราะว่ากิเลสบางอย่างเนยมันคล้ายธรรมะมากเรวดูไม่ออกอ่ะมันเป็นธรรมะหรือเป็นกิเลส เรีกเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล ร, ราดมันไม่ออกนอกจากว่ามันจะต้องมีตัวอะไรเข้ามากระแทกอีกทีหนึง่งจริงจะรู้อาการเหล่านั้นเป็นอาการของกิเลสหรือเป็นอาการของธรรมะใกล้ๆกรุณาที่เรามีต่อนเด็กเล็กๆซึ่งบางทีมันเป็นกรุณาก็ได้แต่บางทีไม่ใช่นะฮะเป็นโลภะก็ได้เราขึ้นดูกัะเด็กนั้นเป็นใคร เด่พ่อเขรวยพ่อเขามียศดหลักมีตำแหน่งใหญ่หๆโตๆเราก็ไปอีอ้อไปพูดจาไปสับะยอมยอเอิญกันเด็กอันแสดงว่าบางทีเนี่ยต้องการประจบชเป็นแจงพ่อแม่เขาเพราะว่าความรักที่เกิดมาจากความรักเมื่อเรารักลูกเขาแล้วเขก็รักเราเราเป็นมิตรกับเขาต่อไปเราอาจจะแสวงหาประโยชน์เป็นการอ่อยเยื่ออะไรกัน นี่ก็คือแนวแคล้ายๆกรุณาแต่จริงมันเป็นมารายาเราเชื่อแดูยากอ่ะดูตัวเองยากขึ้นทีนี้ถ้าจะดู ง, ง่ายก็หมายความว่าดูเมื่อเด็กตอนนั้นเปลี่ยนแปลงไปนะจิตใจเราเป็นยังไบงบ้จิเกิดกรุณาเกิดวิญญาณหรือเกิดเฉยรเกิดใจเนี่ยจะเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนจะิตใจเช่นว่าเด็กหรือว่าสุนัขอะไรแต่คนนริรักสุนัข สุนัขสวยงามผนปุยดีก็เล่นกับสุนัขได้แต่ไรพอสุนัขขี้เรือนเนี่ยยังยังกรุณาก็หรือเปล่ายังดูแลยังเอาใจใส่ก็หรือเปล่ายังเอาหมอมาเยอยยารักษาก็หรือเปล่าถ้ายัางทําก็แสดงว่ามันก็เกิดกรุณาเกิดกรุณาต่อต่อสัตว์เหล่านั้นจิตใจเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ว่ามันก็อาจจะเจอรักฆาอยู่นะ นี้สมมติว่าสุนัขเกิดตายเนี่ยเราโศกไหมถ้าโศกมันก็แสดงว่าทั้งกระบวนการนั้นไม่ใช่เมตตาแต่มันเป็นโศกศัเป็นความรักเป็นความเยื่อใยเป็นความผูกพันกันเป็นการส่วนตัวระหว่างเรากับสุนัขเหลนั้นทางการการดูกิเลสระเอยละเอียดจึงค่อนข้างดูยากเพราะบางทีมันมาคล้ายๆกับธรรมะแต่ทำให้หลงทางได้เพราะในการฝึก ปลื้มทำจิตใจส ง, งบมาเรื่อย ๆ, ๆอโดยวิธีคว า, ารหนาปานสตินั้นท่านจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการแสดงเรื่องเวทนากายเวทนาจิตธรรมต้นแบ่งเอาเป็นสี่ข้อนะอย่างละสี่ข้อก็สี่บกข้อซึ่งหมายความเป็นกายอยู่สี่เรื่องลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นกายกองลมส ง, งบเป็นกายแล้วก็ ความสงบระ ง, งับกองกองลมก็คือเป็นกายพวกปีติพวกสุขพวกจิตตสังขารพวกการสงบระ ง, งับจิตสังขารก็เป็นเวทนานะฮะเป็นเวทนานี้ก็ก็เป็นเรื่องการสอนอีกแนวหนึง่งโดยยกเอาอานาปานติเป็นหลักแต่ในอนาปานตินั้นเองก็เอากายเข้ามาสีขาส่ข้อเวทนาสี่ข้อจิตสข้อธรรมสีข้อเราจึงพบ บางทีที่ทรงแสดงว่าบุกรลพิสูจน์ทั้งหลายทำอย่างหนึ่งที่บุคคลอารมณ์กระทาให้มากแล้วย่อมทําธรรม4ประการในเกิดขึ้นธรรมะสประการที่บุคคลอารมณ์กระทาให้มากแล้วย่อมทำธรรม7ประการในบางเกิดขึ้นธรรมะเจประการที่บุคคลอารมณ์กระทาให้มากแล้วย่อมทำธรรมะสองประการในมาเกิดขึ้นธรรม1ประการก็คืออานาปานัตติเมื่อเจริญไปแล้วเมื่อเกิดธรรม4ประการก็คือสติปัฏฐาน4ี่กายเวทนาจิต ในขณะที่จเจริญสติปัฏฐาน4อยู่นั่นเองมันก็จะกลายเป็นพุทชงเจดธรรมะเจประการก็เกิดแล้วเมื่อโพุทชงเจดก็สมบูรณ์เมื่อเกิดเป็นวิชา ค, ความรู้วิมุตติจิตติหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสเรื่องมหาเราโลวาทสูตรจึงเป็นธรรมะที่แสดงมาโดยลำดับเราะว่ามาทั้งหมดถึง5ครั้งด้วยกันวันนี้ก็ยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบูรในธรรม จะมีแ่ท่านสาชาชนทั้งหลายโดยทุกการทุกท่านทีอ